สาอยแขนข้อเขาดึงรักเอาได้บุญกุศลผลบุญแขนใจแล้วพิพิธเลิกเอาได้แล้วก็แขนอันเนึ้ยเนี่ยว่าขาดรักเทียเอาขอแขนข้อควายมันก็ขาดเอาบากกรงมันก็ขาดแขนข้อว่าเขาควายขาด ม, มันทายมันบัดคว่ำแก่คว่ำเก็บคว่ำตายแขนข้อเดีย่ยว่าขาดรักเทีอเอาโอดอันนี้ควรพี่ก็ น, น่าเนี่ย เรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องง่ายโตโหดานเป็นเรื่องใหม่รือเรื่องเก่าเอสาธรมโอทันันโธเป็นเรื่องเก่าที่พวกเราเคยผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องไม่มีเป็เรื่องเก่ามัดเรื่องดินน้ำไยล้งก็เป็นเรื่องเก่าเรื่องเกิดแก่เก็บตายก็เป็นเรื่องเก่าศี้นร่มก็เป็นเรื่องเก่าผู้กินเหล้าเม้ายามากก็เป็นเรื่องเก่า เอสาธรมโอชาณ์นูพระธรรมเป็นของเก่าของเก่าที่ควนเว่นคืออยังคือบาปของเก่าที่ควนเจริญคืออย่างคือบุญผู้ลางคนไปเพ่งโทษพระเวทสันดอนว่าไปเพิ่นเป็นผู้ท่านเหล่าท่านเพิ่นว่าจะท่านเหล่าเนี่ยเขาขะน้องเขาไปหากินกันนี่สคือเอาบุญสเสมอนี่แ่ะพระกับว่าด้ใช่เราเขากินเขาขะน้องเขาไปกินเองเขา พระเวกสันดอนยังไปท่านเราเพ่นระดทท่านเนเอาหวัวล้านส้นกันมุนก็บว่าเพื่อนได้บอกเขาขนองเข้าไปส้นกันเองเฮยพระเวกเขาเมืองรถกขาว่ารถจั ก, ก่อยก่วงแกงมากขาว่ามาจากัก ห, หือนลแหนแลนห่วยลี่ลุดลี่ลายสร้างเขาว่าสร้างจักส้นคนกขว่าข้นจักแลนมากขว่า มาจักหื้อลแลเห็นแลนฮว่าไปอะไรเงี้ยลี่ลุดลี่ลไลเป็นคนป่านสงข้ามเป็นคนผ่านหานหาวเห็นแถวโทธอดข้าโมล้านข้าโมร า, า, มาจนจินตะกวีแจ้งกิ่งเพื่อให้แพะเราะเนเสื้อกาบแต่งเรื่อกกิ่งให้เขือเพื่อให้แพะเราะเนเชิงกราบเป็นของกิ่งอีงูเห่าเพื่อนว่าพระพุทธศาสนาที่เชื่อมเนี่ย ชาดกเส่อมเวยียสั้นดอดเสียมกรมัวเพราะ บ, บอ่อข่าบ่ออยไม่ผูวว่าเสมองอนี้กะขนเพราะเวยียดสั้นดอนเพราะจะเสียมดอกพระเวีดสั้นดอเพราะจะเสียมไม้กับพระพุทธเจ้าฮะพระเขาสู่พระนิพพานทำคำสอนแต่ละบัฏะบาทต่งต่อพระนิพพานหมดศีล ส, สองทานสองโลกิยทานโลกุตระทานโลกุตระทาน คือให้ทานปรารถนาเพื่อผนทุกในวัฏสงสารโลกิยทานคือทานเพื่อต้องการวัตถุสิ <t> ่งของให้ร่ําให้รวยศีลก็มอนกันสมาธิก็มันกันปัญญาก็มันกันศีลสองสมาธิสองปัญญาสองโลคิยาศีลโลกุตระศีลสมาธิโลกิยะสมาธิโลกุตระสมาธิปัญญาสองโลคิยาปัญญาโลกุตระปัญญา โร ก, กุตตระปัญญาหมายถึงปัจจุบันเป็นต้นไปโล ก, กุตตระศีลก็เหมือนกันโล ก, กุตตรทธานก็เหมือนกันโร ก, กุตตระสมาธิก็เหมือนกันตัําก็นั้นลงว่าเป็นโลคขีบ่บัสเราอาบน้ําทําไมเพราะร่างกายมันสกปรกเราปฏิบัติศีลธรรมทําไมเพราะจิตใจมันมีกิเลสจริงๆเพื่อให้มันเบาลงบ้าง ทำเจริญวัตรระบาทจงต่อพระนิพพานหมดใครเรียนนโมจบพระทหารเรียนนโมจบนโมไปว่านอบน้อมพระรหารนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายนอบน้อมจนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงไม่มีราคะโทสะโมหะเคารพเข็ดหลาบโรคโกรธห ล, ลงนอบน้อม น, อม น, อมนอมโมจนไว้มาเกิดแก่เก็บตายอีก ไม่มาโลภมาโกรมาหลงเรียกพระรหันต์เรียนนโมโจบพระสดาบันเรียนน โ, โมบ้างต้นของโลกุตระนโมพระสดาบันพร้อม น, น้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณไม่ใชื่อได้ร่วงระเมิดศีลห้าไม่ใชื่อได้ร่วงระเมิดอบายมุขไม่ใช่อได้อยากจะถืออยู่โยงคงกับพันุไม่ได้กกเดดชื่อได้อยากจะถือระดียามดีไม่ใช่อได้อยากจระจองเวียนท่านผูน้ใด ไม่เช่ได้อยากจะพบเม็ดทุกขไม่เช่ได้อยากค่าขายเครื่องประหารค่าไขามนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นรายเนื้อสัตว์ ท, ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าไขายละเมาค่าไขา ย, ยาพิษการค่าขายหอย่างนี้ก็สวัสดิบาลไม่เสียได้ร่วงรมืเลยสิ่งไหนไม่เสียได้ร่วงรมื อ, อสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจไม่เสียได้ลงรื้อรวมสารเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจทําไมถึงไม่หนักใจเพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษล้วน จึ่งไหนเห็นชัดลงไปว่าเป็นโทษล้วนล้วนหรือเป็นคุณล้วนล้วนเห็นชัดเรียกว่าสมาธิิเบื้องต้นสมาธิิเบื้องต้นคือพระสวัสดันสมาธิิเบื้องกลางคือสักขาคามีอนาคามีสมาธิิเบื้องท้ายคือพระหันเห็นชอบจนไม่มาโลภมาโกรธมาหลงเห็นชอบว่าพ้นจากกิเลสโดยทั้งปวงแลววีมุตติญาณทัศนคถา เกิดความรู้ความเห็นในความตั้งใจพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วเรียกว่ามหาสมมติพระหาหนึ่งนโมโลกีคืออะไรนโมเลขนโมผานโมบัตตินโมเบอร์ธรมโมก็เหมือนกันสังโฆ ก, ก็เหมือนกันพุทโทธเลขพุทโทธผาพุทโธบัตพุทโธเบอร์ธรมโมก็เหมือนกันนี่เรียกว่านโมโลกีภายเรือในเอียงวนเวียนอยู่มดบาปก็ไปหาบุญมดบุญก็มาหาบาป วนเวียนกันอยู่อย่างนั้นพวกโลกีโลกุตระไม่ได้วนเวียนเมื่อถึงพระโสดาันแล้วก็ดิ่งบานหน้าไปสู่พระเนพานเลยบางทีก็สำเร็จพระหันในชาตินั้นบางทีก็สำเร็จพระจักรทาคามีไปยั่งอยู่นั้นบางทีก็สำเร็จพระอนาคามีไปยั่งอยู่นั้น บางทีก็มาได้ข้างอยู่ถึงพระหัตถในชาตินั้นเลยเช่นพระสวัสดิบาลพระมารดาของพรบรมศาสดาของเราจะได้เป็นมารดาของพระเจ้าอริยะเมตใจอกีกนี่เรียกว่าพระสวัสดิบาลเอกพิชีได้เกิดอีกชาติเดียวจะได้ปรากดเมืองกุตุมาวดีคือเมืองพระราณสีจะได้เปลี่ยนชื่อเป็ น, เ, ปนเมืองกุตุมวดีจะได้ทัชรุ่มไมกากะทิง มารดาของพระบรมศาสลาของเราเป็นพระสวัสดิบาลเลยนอยู่ชั้นดูสิทธเดี๋ยวนี้พวกตินนาวานที่ทานผ้าชีเรียวก็เดี๋ยวนี่ก็อยู่ชั้นดูสิทเหมือนกันจะได้ลงมาเกิดเป็นพระอาธันตาชีนาศพขอพระศีรมเมตไตร ย, ยังไม่ทำลงมาบางท่านก็บอกว่า พระศรีอริยะเมตไตรลงมาแล้วลงมาช่วยศาสนาพระโกรลมว่าอย่างนั้น <c oughs> ก็โกหกกินขนมเขาก็มาสิไม่ได้มาหรอกเพราะท่านไปไว่ายธาตุเจดเจ้าจุลมณีประจำวันอยู่ทุกวันพระศรีอา่านพระศรียะเมตไตรเป็นหัวหน้ามีบริวารเกตแสนโกดพระศรียะเมตไตรเราเรื่อมใสศาสนาพุทธพระโครลม ก็ถก้ากลับมาเลื่อกสายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเช่ล่วงมาแล้วที่จะมาในข้างหน้าอีกเพระเป็นธรรมอันเดียวกันไม่ได้รบล่างพรบกันเลยไม่เหมือนกฎหมายกฎหมูยข้พระข้อพวกของชาวโลกรบล่างพรบกันบ่อยๆข้อเสีนใดจยงเป็นอย่างนั้นพระมีกิเลสพราะบรมสาสีราทุกทุกพระองค์ไม่มีกิเลสตั้งธรรมะไว้อันไหนก็ตรงกันเลยไม่ได้ พูดอย่าย่ำทำลายกันว่าองค์นั้นองค์นี้บัญญัติศีลทำผิดกับเราไม่ดีเหมือนเราไม่ได้ว่าผิดกันแต่ปัญญาทิกะวิริยาทิกะศรัทธาทิกะเท่านั้นส่วนอริยสัจสี่ก็อันเดียวกันทุกสมุทยในโลธมรรคมาตัสรุอันเดียวกันเอสัตถโมชนันตุพระธรรมเป็นของเก่า พระพุทธศาสนามีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่มีผู้บ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าได้หรือไม่ถ้ามีผู้บ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าได้ก็ทำลายพระพุทธศาสนาได้ถ้าไม่มีผู้ทำลายไม่มีผู้บ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าได้ให้ถึงฟ้าก็ไม่มีผู้ใดทำลายพระพุทธศาสนาได้ก็ทำลายแต่เฉพาะตนเองใครลงลุมสารเพลิงคนนั่นก็รอดเอง คนอื่นเขาจะไปร้อนทำไหมของใครของมันพระพุทธศาสนาอยู่ที่ใจของใครของมันใครทำเสื่อมก็เสื่อมแต่พระคนนั้นหา้เสื่อมไปหมดไหมผู้ใดตายก็ต้องไม่หายใจแต่คนนั้นผู้เขาไม่ตายเขาก็หายใจอยู่จะว่าไงถูกไหมเรารมศาศาสตราก็บอกว่าถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้ เหตุนั้นเราจึงเ้ารรทมพระคาวาเป็นผู้จำแนกทมถ้าทำอะไรไมีอยู่ก่อนเราก็ไม่จำแนกได้มีทานศีลภาวนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาไม่จืดเลยใครเอาปฏิบัติปฏิบัติเวลาไหนก็ได้รับผลตามส่วนกวนค่าของเหตุพระทมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคาสั่งสอนของผู้อื่นแล้ว ตามคำคามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาแล้วย่อมสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยพระทมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วตามเหตุผลที่ปฏิบัติน้อยและมากไม่รบเลือนไปทางไหนเลยพระพุทธเจ้ามากี่ละล่านพระองค์ก็มาตัดสรุอริยสัจสี่เหมือนกันก็มาบัญญัติปาราชิกสีรังกาที่เสียุสามอันเดียวกัน อายัตสองนี 30, ่ตะเคียรปจิตีสามสิบปัจิตีเกาจุดสองัจเนิยสาสี่เสียเชียวัดเจ็ดจห้าเหมือนกันอธิกรณะสมถะเจ็เหมือนกันมีปัญหาสอนเข้ามาว่าตอนปฐมการทำไมจึงไม่บัญญัติจึงสำเร็จพะระรหัไม่บัญญัติก็บัญญัติอยู่ในตัวแลว้วเช่นธรรมจักรกับวัตตนสูตร ก็บัญญัติอัถังคิโกมัคโกมัคแปดสัมมาทิสติสังคฆปวายชากรรมันโตอาชีโววายามวิสติสมาธิก็ย่นลงเป็นไตรสีขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วบัญญัติอยู่ในตัวสัมมาทิสติปัญญาเห็นชอบสมานสังฆปะดําลิชอบที่ดําลีจะออกจากกามดําลีในอันไม่พยาบาทดําลีในอันไม่เบียดเบีน สัมมาเจรจาเจรจาชอบเล่นจากวจีทุจริตสามเล่นจากกายวัจจีสุตจริตสี่พูดเท็จพูดส่อเกียจพูดคาหยาบพูดโพชเชอร์สัมมากรรมันโตทําการงานชอบเว่นจากกายยทุจริตสามฆ่าสัตว์รักทรัพยพื่ิดในกรรมสัมมาวายามมเพียรชอบย่นความเพียรลงมาเป็นหนึ่งเพียรและชั่วทําดี เป็นคนําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัมมาสติและลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมกายเป็นทศกว่ากายเวทนาเป็นทศกวาเวทนาจิตเป็นทศกวาจิตธรรมเป็นทศกวาธรรมพิจารณาลงสู่อนัตตาสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบจเจริญฌานทั้งสี่พระสมฌานโสติยฌานนาตยฌาน จะตุดท่าชานหมดกำลังแล้วก็ถอนออกมาเรียกว่าอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังอีกเหมือนกันคำสอนใดๆในไตรลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาทั้งนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเชื้มทิศจะมีกี่ล้านล้าก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้น คำสอนวัตถศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อและกันแกโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลามหาเทเรประมาณนีนะคิดของเราก็โอนถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระนิยสง์ทั้งหลายมหาเทเรนะชั้นที่หนึ่งคือพระธมามจัพุธเจ้าทั้งหลาย ขั้นที่สองพระพระเจดทั้งหลายชั้นที่สามอรหันต์ตาชี้นาสพทั้งหลายชั้นที่สี่พระ อ, อนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระสกทาคามีทั้งหลายชั้นที่หกโสดาวันทั้งหลายพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นมหาโลกุตระเถระเมื่องอาพวกเราทั้งหลายได้ทําผิดท่านด้วยกายกรรมสามวิกีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบก่อนก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้า้งหน้าก็ดี ขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงอภิโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่โดยทุกเมือ่อผลสุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้คดีที่ไม่ไดมาในที่นี้คดีทั่วทั้งไตรโรกาถ้าเคยได้ทําผิดกันแต่พบก่อนชาติก่อนด้วยกายกรรมสามวิกีกรรมสี่มโนกรรมสาม ในเอ็งหนึ่งก็ดีหรือปัจจุบันนี้ก็ดีจะจะเป็นไปในครั้งหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกตนหน้าพวกทั้งตรีโรกาจงให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกตนหน้าอยู่โดยทุกเมือ่อผลทุกท่ายพวกเราทั้งหลายจงประสบจากความสุขความเจริญในบระวาระข้อจศาสตร์นาของพระธรรมสมุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยดวนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเถิดห้างตุ้มเฮอิมพิเมฆา ม, มิตาบาง ยัตชะปะปังกัตังกัมมังคุทะเลนะพะฮียติโสมังโลกังปะพาสิริแล้วพระมุตันทิมาพิวัฒ น, น์ะสีรอนิจจังพุทธเจาปยัยโนจตารูธร ม, มาวัตรติอายุวันโนสุขังพระหลังอภาอภนาถวายพระเวออภาน้ํามถวายพระคนเรผืนเรผืนเวออ้าวพระพุทธเจ้าเทศยู่ีชิภาพันสาคยุ น, น แพ้ใจพีรกกะยุ่นี่ยอดลงมาเป็นสามกายว่าใจใจยอนลงเป็นสองกายกับใจยอดลงเป็นหนึ่งกใจนี่ขยายออกเป็นที่กระธาตุซีขยายย้ายออกเป็นหากระขนหาขยายออกเป็นหกระตาหูจมูกเลี้ยงกายใจยอดลงมากเป็นหึงกับยุ่นีนี่พระพุทธวัฒนมประสค์เอาไว้เนี่ยเอาไว้วันเอิญอะมาลืมเอาไว้นี่ย่าลืมหรอกกันเห็นก็เห็นยุ่นี่ล่ะกันไม่เห็นกับไม่เห็นอยู่นี่อ่าน่ะ แล้วเลือกได้เวลเลืก อ, อกได้ขอมอบกายสวายชีวิตต่อ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมืองโมกยระมาร์แล้วเลือกได้เวเลือกได้ก็ดีขอเป็นข่าเป็นคาดคาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมืองโมีประมาแล้วเลือกได้เวเลือกได้ก็ดีขอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉีรถเงียวรวเหยียบยำทำลายไ้ํามุใชในสะกดากายยทุกเมืองมีประมารอ่าป่าเพิ่ฉีแล้วพอกกืนกินพร้อมหมดเอาไนั่นนะ เพื่อนกับว่าเฮ็ดดอกโดยคุณพอใจของเข้ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทมสมบัติไม่เท่าไรทุ่นถวายสักคนนักกายว่ากายกเป็นสมบัติอนั่งนะสันนะอันมื่อกี้ก็ถวายเพิ่นวัดเะเอยนี่อันนี้เกิทอะไรเพ่นได้หรือ่ยูของเพือนซื้อได้เน่ยมัน้องเข้าเนยเนี่อ่าสันว่าเขาปว่าลูกปูก็เฮ็ดสาระงามถีบ่าบว่าเป็นเพิดตายย่นีบอกว่าสันเขาว่าสีเป็นเพิดเล็แต่สวรรค์ก็ยังว่าสีบ่เป็นเิดไปไปเฝ้า ของสวรรค์ก็ยึดแต่อำนาจอันนี้จังเนี่ยพวกมลโลกมันยึดแต่อำนาจอันนี้จังเนี่ยอันนี้ีแห้งไก่เชนอสองจวงน้ำมูเชิงแล้วนำพำักไก่กะระโนเข้ามือกูพอเห็นดินกัดเพล้ว่าเป็นดินหนา้าว่าเพล้ว่าเป็นน้าวาไฝ่กับเ่ล้ว่าเป็นไฟ่ล้มกับเพล้ว่าเป็นล้มด้วยรู้ตามเปนจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลุดพ้นจากจากความหลงตามเปจริงด้วยพระพุทธเจ้าสอนอืม ว่าได้เข้าใจว่าเป็นของไม่ได้ว่าได้อันของเก่าของเฮาเที่ยวว่าทีมซากทีมพบวกในี้หรอเมื่อได้ร่ได้สงสัยว่าเป็นของไม่ได้อันได้ตโรกธาตุเป็นของเกางเ่าคอมโมเฮาที่เคยมาทีมซากไใบนี้เมื่อลหร่ได้ไตโรกธาตุนับแต่หมูหมาเป็ดไก่ขึ้นไปตลอดถึงสัตดนรกเป็ดอสุรากายตลอดถึงพวหมาโลกเงินบาดเก่าเมื่อเก่าเหมือเคยมาทีมใบนี้ว่ามีเงินต้นเงินปลายวันเนาะ อเ้าว่าเลยสงมาใส่ใสว่าเป็นของของของเก่าเนอะเป็นของว่าไม่สงมาใสว่าเป็นของใหม่ันอะเป็นของเก่าที่ค่อยมากเมื่อเดี๋ยวเมือเดี๋วมัเป็นของใหม่ยักษ์บอลเนี่ยเออไห้บอกเขาสั้นพิจารณาเรื่องในปัจจุบันอดีตอนาคตกับว่ามันของใหม่ของเก่าของเข้าที่ค่อยลงมากเลยที่ว่าสมมุิใส่กันนี่นี่อะเอี่ยนอกจากใจไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่ไม่มีอันใดจะหลงใจใจเท่านั้นหลงใจ ใจเท่านั้นไม่หลงใจนอกจากสติปัญญาไม่มีอันใดจะเหนือความหลงไปได้พระเจ้าสอนเช็ดลาบในะค่ยมหลงมันเช็ดลาบในะควมหลงว่าหลงอีกว่าได้ยืนยันว่าใจเป็นสัตว์ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสนาทมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่า ทำนี่ก็สักว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุพัฒนาถ้าไม่สําคัญว่าใจเป็นตนตนเป็นใจถ้าไม่สําคัญว่าธรรมเป็นตนตนเป็นธรรมถ้าไม่สําคัญว่าสิ่งใดๆในโลกเป็นตนตนเป็นสิ่งใดๆในโลกมันก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วนะถ้าบางพนจะเจ้าเขบอกเดี๋มีหลายเน่เดี๋ยนมีหลายมันโวหารมันนอกนะ โมหานก็หาลงมาถึงใก่พระนว่าอยงี้โมหอนก็หอนลงมาถึงใจหน่วยสิ0ร้อยพันหมืนแสนล้านย่นลงมาหารักหน่วยสาระทุกย่นลงมาหาเอกะทุกในปัจจุบันสาระตายย่นลงมาหาเอกตายในปัจจุบันสาระโลกย่นลงมาหาเอกโลกในปัจจุบันนั่นน wow ั่น <mat> นัใดในล๊กล้วนอันนี้จังในลกล้วนทุกครั้งในลกล้วนอนัตตา อย่าสงสัยเลยนาทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยะเห็นไตรลักษณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นอนิจจังคนะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วความทะเยอทะยาในโลกทั้งปวงก็จะไม่มีดั่นดั่นดั่นดั่นด่นหัวโตเนของไม่ประสนอ่า ของเกาว่าแต่ตัวกินเขากินเขาไปอะไรทายก็บทายออกทว่านักทว่านเบาหันมันไหมของใหม่บอเอออะไรของใหม่ของเกาอันไรมันดีสิของเกาตัวมันดีเอมันมีของใหม่มาจะใส่สมยสีนกับมันสีตัวเกาอันผู้บ่มีสีนกับมันอันเกา่วาเนระอันผู้กินเหลาก็มันผู้เกาอผู้บ่กินเหลากับมันผู้เกาเลยผู้ใหม่มาจะใสอ๋อนั่นโอ้ยกูเสียใจด้เพราะว่า จักว่าได้ใจไม่ไมาจะไสมาเสือโอ้ยดีใจเลยเพะ ว, ว่าจักว่าได้ใจไม่ไมาจะใสมาดีกใจเมื่อเกาอ่าแล้วตาไอ้ตาหูไอ ห, หูจมูกไอ้จมูกลิ้นได้ลิ้นกายไอ้กายมันม่นกับวารับมั่นกับ่ารัดแล้เนี้ยเขาว่าใส่ซื้ออะอนี้ก็ชอบเลียงแลดูรูปไม่เบื่อสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีหูเพราะชอบฟังเสียง ไม่เบื่อสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกพระชอบดมจลิ่นไม่เบื่อสัตว์ทั้งหลายจึงทาไมยึงมีลิ้นพระชอบลิ้มรสสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายทาไมจึงมีกายพระชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจพระชอบนึกคิดไม่เบื่อไม่อิม่มส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วตาหูจมูกเลี้ยนกายใจ่ก็เป็นแต่สัว่าตาหูจมูกเี้ยงกายไก ไม่ยินดียินไล่และไม่ยืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันสมมุติก็จริงตามสมมุติไมมุติก็จริงตามไมมุติไม่ได้ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของเนิพอานก็จริงอยู่ตามพระนื้อานข้าพเจ้ารู้พระนื้อานตามเป็นจริงของพระนื้อานข้าพเจ้ารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่ข้าพเจ้ามาไในยึดถือเอาสังขารเป็นตนตนเป็นสังขาร ข้าพเจ้ามารีเจือถือเอาพระนิพพานเป็นตนตนเป็นพระนิพพานพระบรมศรรษษสาสตราได้เนี่ยถ้าทั้งหลายก็จงทําอย่างนั้นข้าพเจ้าไม่มีได้ไม่มีเสียเลยพระพุทธเจ้าใครเป็นผู้เสวยพระนิพพานก็พระนิพพานเท่านั้นเสวยพระนิพพานไม่เป็นหน้าที่สังขารจะไปเสวยใครเป็นผู้เสวยสังขารก็สังขารเนี่ยกองทุกเท่านั้นไม่เป็นหน้าที่พระนิพพานจะวก คืนมาเสมยข้าพเจ้ารู้อดีตตามเปจริงของอดีตข้าพเจ้ารู้อนาคตตามเปจริงของอนาคตข้าพเจ้ารู้ปัจจุบันตามเปจริงของปัจจุบันรู้สมมติตามเปจริงของสมมติแต่ไม่สำคัญว่าข้าพเจ้าเป็นสมมติแต่ไม่สำคัญว่าสมมุติเป็นข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่สมมุติว่าพระนิพพานเป็นตนตนเป็นพระนิพพานเหมือนกันเหตุนั้นงานของข้าพเจ้าจึงจบกันณที่นั้นเอง ใจก็ไมเป็นสักว่าใจข้าพเจ้าไม่ยินยันว้าใจเป็นตนตนเป็นใจสติปัญญาของข้าพเจ้าเหนือใจไปแล้วพระบรมศาสด า, ศ า, ศาถ้าไม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงธรรมตอนนั้นถ้าไม่หลงใจโดยประการทั้งปวงก็ไม่หลงธรรมโดยประการทั้งปวงก็พ้นจากทะเลหลงไปแล้วพระบรมศาสด า, ศ า, ศาที่นี้ดูกับคิดกับใจของแต่ละคนนี่ มัอยุคหน่อยกับหลายหรอกพระเนี้ยบักุ้งต้งนเน่น้อยลูกหลายลมันผ้าหักตายอย่างท่อาบอกอ่ามันลื่นคู่ลื่นอาจารย์หลวงพู้มันยุคันานองคผือกับ่รเกินเศร้าองค์เด้อพระสิเกตสิบแปดองค์ท่านละแล้วก็ก้กับตะปขาวนเนี่ยเนี่กับพรเกินสามสี่องค์ อันนี้โตมาล้านลื่นคู่เออู้อพู่กุติจะดีแปดสิบหลังผนอันนี้ร่งโถงจะท่อนี้แหละนอกจากนั้ไปเ ก, กาะไปสร้อยไปวัดไปวัดมือเนี่ก็ะ่าจบเนี่ยหลงหลด <c oughs> มูอือจอเขาไม่ได้ตักน้าหลือมันตายน้ำมันไม่ได้ตักต่อมาแต่พูต่อมาเลยจะมาจ ะ, มาจะพูดอย่างเดียวหมดสี่กิโล อันนี้คนมาเห็นก็ผลว่าคือเห็ดดีแ ท, ท้สารา่าท่นขันเห็ดว่าดีกับว่าไรแบบอาศัยน้ำมาเนี่ยขันมุ่งหยาก็กินน้าว่าไรอันนีขันมุ่งหยากับกนนว่าไนน ม, ามา่มุ้งมันบวคือสมัยหลวงปู่เอ่อวัด่บวกคือสมัยมยุคนั้นยุคนั้นเบื่อใดหยาไอ้ไพ่ละยบาทกับว่าพวกขายให้เนี่เห็ดยังไง <laughs> มันบุมีอันที่ตงนา ต้มน้ำอันไงากินกับอะไรแดงยัคือจะเป็นกรได้มุ่งมันอึดน้ำพูดว่านี่มนไม่มีน้ำเลยเนี่เศ้าฝนฝนเศ้าตกกับเศ้าไหลวันเนาะย่มแรงกับวกีนี่พูดคัดวัดดตถุพุนคัดาัตพูอย่างเดียวหน้าจังมืนตาเบิกตีเบิงพีตีตาเบิงนองได้อันเนาะอาศัายน้ำฝ้านเนาะอันอ น, อนี้ อันนี้มัน END ทีน้ง่ายเอาไปย่อพุ่นทีง่ายพระพุทธรูปเอาไปคพุณนไปคุ้นล้างนั่นพระพุทธรูปอยู่ทึ่งนี่เต็มเน่นี่เต็มมัดเนี่ยขั้นจะขึ้นไปย่เท DO ึ่งนี่พระองค์เจ้าพยุรุมนี่ขึ้นไปย่เทึ่งก็บอะไรบ้านเนี่ยตั้งใิง่ายง่ายนิมนต์มันไปย่อพุ่นวุฒิพุ่นขั้นจะขึ้นไปย่เทึ่งได้ทึ่งกับเต็มเนี่ยพระพุทธรูปอยุรมนี่ก็เต็มเอง กำไพก่กำมั่นอันสูงสูงนี่ให่หรห้มีเฟืองถวยเฟืองไหาไม่หมอเว้ยอยู่ทั้งตัแต่ถ้ากร่ําเท่าสิ่ได้มานั่งไพ่งาขายอยู่นี่ก็าวจักมานั่งคนขีนย่างขายอยู่นี่ก็าวจักตังตั้งห้อยห้อยนั่งไก่ไม่อยู่ตั้งอันหนึ่งท่อ น, นี่แหละตั้งขิงหินะห้อยเอาขวนถากเป็นที่เลี่ยมเป็นแปดเลี่ยมเขาขุดได้จากนี้สีมันตั้งเท่าค้นนั่งขีม่มาย่างขายอยู่กี่ข้าวจัก ก็พอป่าไปสิเราเขาก็สซองโเห็นนั่นยาเสพวิมัมีคนเยอะเนี่ยอยู่นี่อยู่ทั้งเครื่องให้เค่งถวยเต็มอยู่ไนอยู่กูดังนั้นเห็นอยู่มอแน่นๆจกลองแจงแรกก็มียูซัมเนี่ยมอนามันเพิ่นบปหรือมันมออ่าเทพบุรเทพดาเพนเพิ่นถือเทพดาก็ะบอยักตะเกีมอซํานี่มีอยู่ซัมมี่ฟ้าอยู่ตั้งตั้งสูงเพียงนี้แหะมีอยู่นี่ สูงเพียงนี่และตั้งแล้วก็ห้อยถากถากเป็นเป็นแปดเหลี่ยมเป็นแปดเหลี่ยมห้อยหอยถากห้อยขวนถากถากแคหินนะตั้งจักูอวยข่ะล่ะเขาขุด น, นี่ได้เพินนเ่นได้เงี้แต่เพิ่นว่ า, าศาสนากักกูสันนทนอไกไก่บินตกเป็นบ้านนึงมาสั่นเพิ่นว่าเน่งกับนี่ล่ ะ, ละกับกู้สั่นท่อไงไก่บินตก ไกเป็นตกุกเป็นบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมาสั่นคือสิเม่นเนี่อันบ้านมัตทีแม่เนี่มิดมิดอะอ๋ะอสีมือนะไม่มันสีมือขอมไดยเฮ้ยว่ามันสีมือเห้าเลยเฮ้ยอันสีมืออันเฮ็ดน่ะเฮ็ดไทยเฮ็ดหนังมันว่าบิ้นสีมือเหล้าดิสิสีมือขอมเจ้กี้ขึ้นยี่มขอมอยู่ลำบนนี้งามไหนงามไหนเหล้าเรื่องอนานาจ พวองก็หดไปง่ามในถ้าเรื่องอำนาจโลกอันนี้มันโมยูโยูเนี่มูอนอนน่เ่เช้มามันไผไปถามไปถามบางรูปพูดจะพ่อว่ามันเป็นผู้ไผว่าผู้เขาอะมันเขามปนผู้อะไรผูเป็นเขาผู้เขาอะ่รกม็มผู้ไผไปไปถามบางรูป่นตาเจ้าเป็นตาเพออาราะยังกิดตลาดบ่ มันกับว่วมันกับบปาหูจะเป็นหูพยัญชระบ้าปากมันกับบ้าปากพิเศษมันกับบ้าพิเสษจะมูกเล่นกายเอาเสื้อสั่งขามันกับบอใจมุกเล่นผู้ตอบแท่นจะของอาศัยจะซื้อว่าจะของใจใจองไรตัวคำว่ารู้เท่าใจก็เปทุกท์รู้ใจอนี้นันักเอะไรน้วข้ามงานวันสั่งอย่ามาเกิดแก่เก็บตายอีก อันอื่นยัง่งอันอันี้ยั่โกทุ่งลำดีเป็นนิวยั่งโรกหัาใจยั่งโกทุ่งดีเป็นนิวยังโรกพัฒนาวัสดวกันยั่งโลกช่องผูกกันยั่งโรกพาทัดมันตายยุทธะพี่มันจะลบยู่ธะพี่เออจะลบสบจักรวาช่งเมียเคียงช่วงเมียเคีล้าเจ้าพาเมด่อไห ไปคนแกนอ๋ออันนี้มีมสองวัดไอยุน่นี่สี่ปีนะไปเป็นเขียงเช็ดเท่าแล้วภูมันยู่หันว่บระเด็นเรามะเห็ดไม่ดอกห้ธรรมดาเนี่ยหาพ่อนอยู่ธรรมดานี่แหะพันก็บันสวดพระหงพันพระผ้าสวดขันทีฟังหายบอดวัดแล้วสกักกันยัค่อยสวด ไสบาดว่าแลกสวดละคันนจากฟังท่งสวดพราหงทังไสบาดเพร่นโมเหตโน้มคู่มันะเออไม่ก็นุ่มเมื่ อ, ะ อ, ะอตะกอนอะตะกอนวันนี้ว่นน้ น, นมเมื่อเราสวมื่อนี่เพื่อนเท е ระสมะคมเพื่อนฝาเห็ดไม่กนกกนกสักกนกถ้มาะพืนก้นบอ ก, บ ก, บรกรว่าไปนกผัหมูหัวงวดจะไปนกยังไหนบ่ากัจะสุนมผัวหมูหัวงวดระบ้ว่าวสั่นเพ่นงกนนกถ้ำมพระองค์เก่าระบ้ว่าวสัส่น มันเยรารวงมากแต่วันเลลาเขาบริวงรแต่ใช้มีสนุตะเกแก่ที่ในของซัดทั้งหลายให้งล่วงออกจากวันเยลาต่างหากแต่หลบแะละห ล, บ, ะหลบห ล, บ ห, ลบหนึ่ ง, ง, งทีนั้นคือสามหนึ่งสามนี้เป็นหลบหนึ่งวายังไกวายังไกล้มพั้ใจเข่าเป็นหลบหนึ่งล้มหายใจออกเป็นหลบหนึ่งวายังไกเขามาคนอื่นอีกชนะกิ๊บนื้อขื่น พระหนึ่งเป็นรอบหนึ่งขอาสตรของผบโลกกลมพระโรกโคลงนั่งกลมเหมืนว่นไปเหมือนหลูกคา ง, ง, งเหมือนหล่อรถว่อนมากฮว่อนมากฮะตั้งลงมากว่อนหน่อยฮะหลงคือหลงถึงเฉื่อนลงเป็นช้งางเดิมเป็นแม่เดิมเป็นมัจับไงนั่งข้าวผ้าโลกผ้าวโคตรให้นุ้นเลี่ยมตอนเป็ดหัวจับไงตง้องจับเครื่องยนต์ มันผสมบล้อจะเชือ่อหนอกจากอรหักตมักอารักตะผลฉลิมมาตัดเง ก, กับเชงนวนชุมเห็แมัเป่นสลายไปู่นนวัชพสงสารกันอน่นั่ง น, น, นี่เ ด, นน ด, ดินนี่ไ่ไป อ, อไฟเาไออไงาอไฟอไฟเงาเป็นกระดานปูนอนอารุทานเพื่องเป็นกระดานปูนอนปูนั่งปูอยู่ปูเดิ น, ป, ด น, ป, ดนปูกินปูพักปูนอนก็มีวามไม้อันเดียวกัน เห็นไหวได้สั่นผู้กดไปแล้ว น, นั่งในในวงการเพิ่งเพิ่งโลเพิ่งโกรธเรื่งรุงเพิ่งมืกก่อท่นโรแกงแท่งตลอดมาฝนใน้าคหนึ่งอนเชิญตรงนั้นใช้ปล้องเคยเ่อนของซัดช่างลายก็เลยท่านทารูก็สี่ไปหล้วไปหางว่าเลียมันนักนัดมันเอาไมา่ได้หมันนักก่มาแต่เพื่อป่วยในสแตนดาร์ดกดระล่างกาย ป่วยเจ็บป่บ่ได้ข้อจังหวป่วยเจ็เป็นทบะบ่ได้ข้อจัจะวป่วยระหว่างพายามาินข้อจะป่วยเพราะมันแค่ป่วย่มันม่บังเวัวอยู่รักษาอยู่ชำนัานใ้ส่วนรางกายขาร่งพยาบาลนังเขารงพยาบาลนอ่เขาร่งพยาบาลเดินขาร่งพยาบาลหายใจเขาออกอันนี้เพออกจากโรพยาบาลที่เปียนมันเท่ากันอยู่ชำั่นทีเปลี่ยนในชำนั่น หายใจเขา้าแล้วหายใจออกมันเท่าทุกไว้หายใจออกกับหายใจเขามันเท่าทุกไว้มันเข้าไปมันเข้ามากก็ได้กินร้อบานแเอากันจะเผาเลื่อนแม่นันมาแล้วไปอีกรับซุกรับซุกรับโเบลคาอีกลิ่นานอนนอนนับแล้วมันแน่ดอกก็ มีงานิตกองฟ้องฟันแต่รับทุบรับทุบรับปูเบี้ขาอยู่กะนน่ะพุทธเจ้าจงสอนให้ที่เจ้าน่าหนึ่งหนึยงจงสือว่าลืมตัวจงสืว่าลืมตนจงคือว่ลืมใจจงคืบว่าลืมถ้ำจงคือออกแรงง่ายจงคอออกจากควมหลงแรงง่ายจงจะมี่เกิ่ยวที่จิตขณะค่วมหลงขันบอยทั้งสั่นบท่านนี่เกว ไม่จะถืแผลกัะตึกกระเพือกแผลฟอมหลงจะคลองไปแผลเมืองบ้างแผลมีอบ้างแผลวิหน้าที่นั่นบ้างวิหน้าที่นี่บ้างขาดบำรุงขาดบำรุงไหวหลวงป่องขานดินบำรุงขาดดินขานน้ำบำรุงขาดน้ำขาดไตบำรุงขาดไตพม่าเนี่ยอุปมาคือบำรุงขาดไตหาแจเข่าออกบำรุงขาดลมดั้นอาหารที่เป็นของแข้งจะคืนลงไปบำรุงขาดดิ้น ส่งเล็บ um right? e ่้องส่งเงื่อนส่งข้ามสงเกาะขาในผาดินสท้องแข็งส่งที่เป็นท้องเรียวสงเอเขาในผานน้าสองที่เป็นท้องพัดไปมากส่งขอขในผานล้มส่งอบอุ่นสงขอาะเขาในผาดไฟส่งผานผูม่แลกจามอบอุ่น้ไปดินบำลุ่งดินน้าบำรุ่งน้าไฟบำลุงไฟล่มบำลุงลุ่ม่มนี่จะเป็นรูปกโหลกจะเป็นรูประชา จักเป็นลูกประถมจักเป็นลูกประขันจักเป็นลูกประอินซเพราะเป็นไงในสร้างดินหนาไฟร่มจะเป็นไงไปทางอื่นอีกบ้าจะสมมติว่าเป็นไงจักอย่างใกลาราะพราผลจักแตกจัสลายออกจากที่ระตุมดินแตจะเป็นดินหนาแตกจะเป็นหนาไฟแตกจะเป็นไฟร่มแตกจะเป็นร่มเคื่อนโลกโกลงเป็นอีกครื่องมือินเพราะมาลงเอาที่มือเป็นางเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขา เรียกว่าผงแปงแต่งันหรือผงแปงแต่งซันไหลกระจายดต่พออยู่ในกำมือมัขาวแตกแดดมันข้าจร้ า, ายจะสลายไปมัมีกรงวันมัมีกรืเป็นสิ่งเดตำนักหากว่าคิดใจจะฟ้องจะเป็นมาเป็นถาดปิาเป็นถา น, ถานถาคว่ำลงจะฟ้องนี่ก็ได้รับนี่แล้ว่วาสามารถจะพัฒนาสิ่งให้สูงกว่าคนลงแล้วคนสุลานคิดใจจะไม่จะกลงได้ไหมมันมีกนกตกลง มัวมาเห็นโทษความรลงจาของ